ไม่ไกลหรือใกล้เกินไปดีดพินกล่าวคถาเกี่ยวด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระอรหันต์และกามพระผู้มีพระภาคตรัสชมแก่ปัญจสิกขาบุตรคลทันว่าเสียงพินกับเสียงเพลงขับเข้ากันดีแล้วตรัสถามว่าคถาอันเกี่ยวด้วยพระพุทธเป็นต้นนี้แต่งไว้แต่ครั้งไรปัญจสิกขากราบทูลว่า ตั้งแต่ครั้งพระผู้มีพระภาคตรัสรู้ใหม่ๆประทับที่ต้นอาชา ป, ปาละนิโครธใกล้ฝั่งน้ำเนรัญชาราครั้นได้โอกาสเท้าสักกะพร้อมด้วยบริวารก็เข้าไปเฝ้าเมื่อได้ตรัสสมูทนียกถาพอสมควรแล้วพระผู้มีพระภาคก็ทรงเปิดโอกาสให้เท้าสักกะกราบทูลถามปัญหาได้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 ตอบเกิดจากความพอใจเมื่อไม่มีความพอใจก็ไม่มีสิ่งที่เป็นที่รักและไม่เป็นที่รักสำหรับคำว่าความพอใจแปลจากคำว่าชันทะอัทธกถาอธิบายว่าชันทะมีห้าประการคือหนึ่งบริเยสนะชันทะความพอใจในการสแสวงหา 2. ปฏิลาภชันทะความพอใจในการได้มา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 คือเมื่อสองเสพความประพฤติทางกายเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งกุศลธรรมเสื่อมไปอกุศลธรรมจเจริญขึ้นสิ่งนั้นก็ไม่ควรซ้องเสพถ้าอากุศลธรรมเสื่อมไปกุศลธรรมจเจริญขึ้นสิ่งนั้นก็ควรซ้องเสพภิกษุผู้ปฏิบัติอย่างนี้ชื่อว่าปฏิบัติเพื่อสำรวมปาฏิโมกข์คำถามข้อที่8